อา้าวต่อจากนี้ไปให้แต่ละท่านแต่ละคนตั้งใจรักษาจิตของตนเองให้อยู่ในปัจจุบันก็คือการภาวนานั่นเองอยาแสสายทรงจิตออกไปสู่อดีตเลืออนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่ายินาย พวกเราราล้วนแต่สัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่ว่าเราเกิดมารู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงทุวันนี้แล้วถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสสัมพันธ์มามันทําให้พวกเราวิเศษได้วิเศษเป็นนานแล้วพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ไปนานแล้ ว, นน แ, ลวแต่นี่ไม่เลยเพราะฉะนั้นเวลานี้ขณะ น, นี้เป็นเวลาขณะที่เราจะมาทาําความสงบเราอย่าไปยกเอาสิ่งเหล่านั้นหรืออย่าไปกังวลห่วงสิ่งเหล่านั้น ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นให้หลุดสิ้นออกไปจากจิตจากใจของเราอย่ายกมาเป็นปฏิโภพศความกองวลกายของเราขณะนี้อยู่เป็นอิสระไม่ได้ไปคล้องแวะกับอะไรเราก็รักษาใจของเราอย่าไปคล้องแวะกับทุกสับสิ่งไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่ า, นายิน้ายให้อยู่แต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับอานาปานสติแม้กระทั่งร่างกายของเราแข้งขาหน้าหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเปลี่ยนร่ำเวลาเราก็ไม่ต้องไปคํานึงถึง ตั้งจิตรักษาจิตอยู่แต่พุโตพุโตพุโ ท, โ ท, โทเท่านั้นชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะในบริษัทเวลิน่านี้เราเห็นคุณค่าในการขนขวายเสวงหาครูบาอาจารย์พากันพากันต่างยินดีพอใจ ที่จะนิมนต์อาราธนาครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัดทรงธรรมเข้ามานกสถานที่นี้เพื่อให้พวกเราได้พบปะได้สนทนาได้ยินได้ฟังอัดฟังธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่น่านุโมธนาและชื่นชมอย่างยิ่งดังในมงคลสูตรสามสิบแปประการที่เมื่อกี้เราได้สวดมนต์ไป ผ่านไปนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งท่านบอกว่าสมนานันจะดักสนังเอตัมมังคลุมามั ง, มามงการได้ทัศนาได้พบสมณะเป็นมงคลในสูงสุดสมณะก็คือผู้ทรงอัดทรงธรรมคือผู้มีความสงบระ ง, งับจากกิเลสความเศร้าหมองหรือระ ง, งับจากความชั่วช้าลา ม, มกทั้งหลาย นั่นแหละคือสมณะเพราะการที่พวกเราได้สัมผัสกับสมณะเราได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ผู้เป็นสมณะมาให้พวกเราได้พบมาให้ได้สนทนามาให้ได้ยินได้ฟังอัดฟังธรรมเพียงแค่เราได้พบผู้มีอัดมีธรรมนั้น ตาที่เรากระทบหูที่เราได้ยินจิตใจเราก็มีความแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วตรงเันข้ามถ้าเราไปไปพบไปสัมผัสกับบุคคลที่เต็มไปด้วยกิเลสครอบงำเช่นเราไปกำลังเจอคนที่กำลังโกรธชุนเฉียวเอะอะวุยวายอยู่ตาที่เราสัมผัสจะสบายไหม หูที่เราได้ยินจะสบายไหมไม่เลยจิตใจมีแต่ความขุ่นบูมเพราะฉะนั้นคําว่าธรรมะกับกิเลสตั้มเป็นฝั่งตรงข้ามธรรมะเปรียกไปดุดเหมือนน้าแข็งตัวของน้ําแข็งเองอะเย็นผู้ที่ไปใกล้น้ําแข็งคนนั้นก็เย็นด้วยหรือน้ําแข็งไปใกล้ใครคนนั้นก็ได้รับความเย็นไปด้วยตรงข้ามกับกิเลสกิเลสตั้มของร้อนเปรียบเหมือนไฟ ไฟไปอยู่กยใกล้ใข่คนนั้นก็ร้อนใครไปอยู่ใกล้ไฟคนนั้นก็ร้อนเพราะนั้นผู้มีอัตมีธรรมนั้นอยู่ที่ไหนจึงเย็นอยู่ตลอดผิวพรรณหน้าตาจิตใจของท่านก็ล้วนแต่เยือกเย็นบุคคลที่มาสัมผัสก็ล้วนแต่เยือกเย็นนี่ภายนอกเราก็สัมผัสถึงกระแสของธรรมแล้ว จากนั้นการได้ยินได้ฟังเราก็ล้วนแต่ได้ยินได้ฟังด้วยอ ด, ด้วยธรรมด้วยเหตุด้วยผลเป็นข้อที่พวกเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังเรามีความเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วว่าสุขทุกข์นั้นมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายของคนเราก็เป็นเช่นนั้นเองซึ่งพวกเราจะต้องบริหารมันไปบริหารมันไป เพราะนันการขวนขวายแสวงหาสิ่งที่ให้ร่างกายอาศัยเช่นพวกเราทํางานทําการหาเงินหาทองหาอาหารหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหาต่างๆก็เพราะเรามีธาตุขันร่างกายจะต้องอาศัยอยู่อาศัยใช้อาศัยจ่ายสิ่งเหล่านั้นมันเป็นที่พึ่งของกายเราก็ทําหน้าที่ของเราไปแต่ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ความสุขหรือสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความทุกข์แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นความจําเป็น ในการหล่อเลี้ยงในการให้ปาท้องร่างกายนี้อาศัยเราก็ต้องพากันขวนขวายแสวงหาด้วยความขยันหมั่นเพียรรักษาหน้าที่ของตนเองเพื่อให้ผลมันเจริญยิ่งขึ้นไปผลที่จะเจริญก็คืองานผลที่เจริญคือลาบสการะที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของพวกเรา เพราะนั้นฟามสำเร็จจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะพวกเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความใส่ใจในการทําใส่ใจด้วยความรอบรู้ฉเฉลียวฉลาดในภาระหน้าที่ในการงานอันนั้นเมื่อเรามีความฉเฉลียวฉลาดความรอบรู้ในการงานอนั้นเราไปทํำงานอันนั้นเราก็ทําด้วยความเข้าใจด้วยความรอบรู้มันก็ทําได้สนุกเราก็จะมีความสุขในทํามกางที่เราในขณะที่เราทํางาน แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจในการข้นขวายศึกษาให้รอบรู้ในการงานหน้าที่ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นภาระ <S <S เป็นหน้าที่ <S 2> <S 2> เป็นงานของเราแต่เราไม่มีความฉลาดในงานนั้นเราไม่มีความรู้ในงานนั้นผลที่สุดเราก็ทํางานไม่คล่ อ, องแคล่วหรือไม่เข้าใจหรือไม่ทําไม่ถูกการทํานั้นก็เป็นความยากเป็นความลําบากเป็นควารรมทุกข์จากการทําผลที่สุดก็เลยเกิดเป็นความขี้เกียจขี้ค้านเกิดเป็นความเบื่อหน่าย ก็กี Dante, Nacional, ่เลสก็เข้ามาครอบงำความล้มเหลวก็เกิดขึ้นในเราในงานในหน้าที่ต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละคนล้วนแต่มีหน้าที่เราก็ต้องศึกษาฝ่ายรู้และพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดให้สุดกําลังความสามารถของเราแต่ละท่านแต่ละคนเมื่อเราได้ทํางานจนสุดกําลังความสามารถนํามาซึ่งความสําเร็จตัวเราเองก็เจริญ งานการภาระหน้าที่ก็เจริญบูคณะเราก็เจริญมันก็นําพาความเจริญมาสู่หมู่สู่คณะร่างกายของเราเราก็มีที่พึ่งที่อาศัยคือมีปัจจัยสี่เพราะมีความงอกงามเจริญจากกาันรกระทําของพวกเรานั่นเองที่สุดร่างกายของเราก็ได้รับความสะดวกสบายจะมากินอยู่ใช้ใจหลับนอนจะไปมาอะไรอไรมก็มีความสะดวก เมื่อไปอย่างนั้นแล้วเราก็จะมาข้นขวายเสวงหาอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์อันประเสริฐซึ่งมีจิตเนี่ยเป็นภาชนะรองรับเราก็จะไม่มีความกังวลภายนอกมีความกังวลในความขาดอดยากขาดแคลมีความกังวลในสิ่ง น, นั้นสิ่งนี้เราก็มาอบรมมาข้นขวายเสวงหาเสวงหาธรรมได้อย่างสะดวก เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรายังมีความสงสัยส่วนใดมีความไม่เข้าใจส่วนใดเราก็สนทนาพูดคุยกับครูบาอาจารย์จนกระทั่งชำะระความสงสัยเครือบแคลนต่างๆทั้งหลายของเราหลุดออกไปได้เมื่อเรามีความ ร, รู้ความเข้าใจไม่มีความเครือบแคลนสงสัยการประพฤติปฏิบัติของพวกเราการภาวนาของพวกเราก็ไม่มีวิจิกิจฉาคือความดังเดสงสัย มาครอบงำในขณะที่เราพนนจากนั้นเราก็มุ่งหน้าในการภาวนามันอบรมจิตอบรมใจของพวกเราเราจะอยู่คนเดียวอยู่ในหมู่ในคณะเราจะอยู่ในบ้านอยู่ในที่ทำงานเมื่อเรามีโอกาสเราก็พยายามที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราโดยเอาสมมณนะภายนอกที่เราได้พบได้เห็นได้สัมผัสได้ยินได้ฟังคือครูบาอาจารย์ของพวกเรา มาเป็นแบบฉบับมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ท่านกว่าจะมาถึงเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีความสงบได้ท่านก็ไม่ได้รับความยากความลำบากทุดดงอยู่ตามป่าตามเขาลำโนภัยอดอยากขาดแคลนอดหลับอดนอนพอจนกับโรคภัยไข้เจ็บพอจนกับความยากลําบากแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ทําให้ท่านท้อ แต่กับเป็นเครื่องวัดถึงความสามารถว่าท่านเองจะสามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้ไหมผลที่สุดสิ่งเหล่านั้น เ, ล, เลยเป็นตัวเป็นตัวเวพิ่มพลังเพิ่มความเข้มแข็งเพิมพ่มความภาคความเพียรให้เกิดขึ้นหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะท่านต้องการที่จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปผลที่สุด ก็ไม่พ้นไปจากความสามาถของท่านเพราะคําว่าธรรมะนั้นไม่มีคําว่าโมคะสําหรับผู้ปฏิบัติล้วนแต่ให้ผลต่อผู้ปฏิบัติทั้งสิน้นเมื่อท่านมุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติแม้นจะมีความยากความลำบากขนาดไหนพอท่านสัมผัสถึงธรรมเท่านั้นจากนั้นไอ้ความลําบากทั้งหลายที่เคยลาบากมาก่อนหายมาลายสาบสูญไปหมดสิน้นเหลือแต่ความเบิกบานความผ่องใส ความเลื่อเลืองอยู่ตลอดเวลาความยากความลาบากอันที่เป็นความรู้สึกของคนทั่วไปนั้นแต่จะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของท่านเองเลยมีแต่ความพอใจพอใจพอใจเท่านั้นเมื่อมีความพอใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความยากลาบากไปได้อย่างไรไอ้ความยากความลาบากมันเกิดขึ้นมาเพราะความไม่พอใจ พราะใเมื่อท่านบุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติอบรมไปเรื่อยนับตั้งแต่เริ่รมต้นล้มลุกคู่คานพุทโธคำสองคาก็ล้มไปแล้วทําโมสองคำก็ล้มไปแล้วหรื อ, อนาปานสติกําหนดลมให้ใจเข้าพูดลมให้ใจอโทสักคู่ก็ล้มไปแล้วแต่ท่านก็ไม่ยอมไม่ยอมท้อถอยมันล้มได้ท่านก็เริ่มต้นขึ้นมาได้มันเผลอไปท่านก็มาเริ่มที่เบื้องต้นใหม่ได้ มันก็มาเริ่มไปแบบนั้นเริ่มไปเริ่มไปเริ่มไปไอ้จากการล้มลุกคลานก็ค่อยๆแน่นขึ้นแน่งขึ้นแน่งขึ้นไอ้ความล้มก็ห่างออกไปน้อยออกไปน้อยออกไปจากนั้นจิตมันก็มีความนับวันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปควารมร่มเยินเบิดบานผ่องใสก็เริ่มเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแล้วแล้วท่านก็ยิ่งมุ่งหน้าเข้าไปเรื่อยมุ่งหน้าเข้าไปเรื่อยจนกระทั่ง ที่มันละเอียดถึงที่สุดมันย่างเข้าสู่ความสงบรวมตัวเข้าสู่ความสงบรวมตัวเข้าสู่ความสงบเท่านั้นแหละเห็นเป็นความอัศจรรย์โอ้นัตถิสันติปลังสุขันธ์ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่สุขมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จิตนั้นก็เลยเป็นผู้สงบซะเองจิตนั้นเป็นสมณะซะเองสมณะคือผู้สงบ ที่เราพบคูบาจารย์วิ่งหาครูบาอาจารย์นิ่บนครูบาอาจารย์มานั้นนั่นสมณะภายนอกถ้าคนเรายินดีพอใจหยุดอยู่ที่สมณะภายนอกอย่างเดียวแล้วประเสริฐอยู่แต่ไม่ประเสริฐถึงที่สุดประเสริฐจะถึงที่สุดแล้วเราต้องสัมผัสสมณะภายนอกแล้วเราก็มาสร้างให้เกิดเป็นสมณะภายในเอาสมณะภายนอกเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่าง เดินตามสมณพไหนอคือเดินตามครูบาอาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อปฏิบัติตามนั้นจนกระทั่งจิตดวงนั้นยังเข้าสู่ความสงบจิต ด, ดวงนั้นแหลเป็นสมณะอย่างแท้จริงนี่แหละเราได้จะได้ทัศนาได้พบสมณะภายในนับตั้งแต่ความสงบเป็นต้นไปจากนั้นเมื่อจิตที่มีความสงบอิ่มพองความสงบถอนออกมาจากความสงบแล้ว จิตนั้นสัมผัสอะไรต่ออะไรก็ตามจะไม่มีวันไหวอีกเปี๊ยะประดุดเหมือนศิลาแท่งทึบไม่หวันไหวเอเอียงไปกับลมมาจากสี่ทิศแปดทางเพราะชีวิตของพวกเรายังไงก็ต้องสัมผัสกับโลกกระทั่งอยู่ตลอดเวลาได้ยศเสื่อมยศได้ได้สรรเสริญได้ได้ได้ยศเสื่อมยศได้ลาบเสื่อมลาบได้สรรเสริญได้ทินท้าได้สุขได้ทุกข์ถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วจะขวัดแขวงไปกับลมทั้งทั้งสี่ทิศแปดทางนี้อยู่ตลอดเวลา เดือดร้อนอยู่ตลอดชาติแต่จิตที่มีเป็นสมาธิแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่จิตนั้นจะไม่มีความวั่นไหวเอเอียงไปกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกจิตนี้จะเกี่ยวข้องในดูความแยบคายรอบคอบ งานการภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการในชีวิตของพวกเราเราจะมีความลอกข้อเป็นเจ้าเรือนในการเกี่ยวข้องเพราะนั่นการงานการภาระหน้าที่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกจะไม่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยต่อจิตดวงนี้อีกต่อไปจะเป็นหนี้สิ่งก็ตามจะเป็นรายได้ก็ตามจะไม่มีเป็นไม่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยต่อจิตดวงนี้อีกต่อไป นี่สิงก็ไม่สามารถมาครอบงําจิตดวงนี้ให้ให้เศร้าหมองได้รายได้ก็ไม่สามารถมาครอบงาจิตดวงนี้ให้ลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟอเ้อเห่อเหิมเพลิดเพลินมัวเมาไปได้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้มีธรรมแล้วจะยืนอยู่บนโลกนี้ด้วยความเบิกบานด้วยความผ่องใสสมบูรณ์ด้วยอด้วยธรรมคือสมบูรณ์ด้วยเหตุผลนั่นเองเกี่ยวข้องกับสิ่งใดจะสมบูรณ์ด้วยเหตุ ด, ด้วยผล เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อบคุคคลผู้นั้นได้มาก็เป็นประโยชน์เสียไปก็เป็นประโยชน์สุขก็เป็นประโยชน์ทุกข์ก็เป็นประโยชน์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการปรพติปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายด้วยนั่นเองโดยการสร้างสมณะภายในขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราอย่าเพียงแค่หยุดอยู่แท่สมณะภายนอกคือพบแต่ แต่บุคคลผู้ทรงศีลทรงธรรมผูกบกพบแต่บุคคลผู้มีความสงบพบแต่ผู้ที่ระงับดับกิเลสถ้าเรายินดีพอใจในสมณะภายนอกอย่างนั้นแล้วเรายังไม่ถึงที่สุดจะถึงที่สุดได้เราต้องพบสมณะภายนอกแล้วเดินตามสมณะภายนอกให้ให้เข้ามาสู่สมณะภายในอบลมจนกระทั้งภายในนี่เป็นสมณะเสียเอง ภายในนี้ต้องเป็นผู้สงบภายในนี้ต้องเป็นผู้ระ ง, งับดับความชั่วช้าลามกภายในนี้ต้องเป็นผู้ทรงอัดทรรธรรมอื่นนั่นแลชีวิตของพวเราจะมีความสุขความเบิกบานอยู่ตลอดอนันตกาลอยู่ปัจจุบันก็จะมีความสุขกับปัจจุบันอนาคตก็จะมีความสุขกับอนาคตอยู่ตลอดหาความทุกข์ใดเข้ามาแพ่ผ่านแมน้แต่นิดเดียวก็ไม่มี ภาระหน้าที่การงาน ต, างต่างๆทั้งหลายภายนอกหรือภายในทางโลกหรือทางธรรมก็ล้วนแต่จะมีความเจริญก้าวหน้าสําหรับบุคคลผู้นั้นอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีธรรมแล้วแม้เขายืนอยู่บนโลกเขาก็มีแต่สร้างประโยชน์ให้แก่โลกเขายืนอยู่ในทางธรรมเขาก็สร้างให้ประโยชน์แต่ทางธรรมไม่เป็นพิษเป็นโทษเป็นไัยตลอดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่จึงคือหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลาย ดังนั้นจากนี้ไปเราจะทำความสงบเกี่ยวกับการรักษาจิตของเราเองให้มีความสงบด้วยการภาวนาสืบต่อไปปล่อยวางร่างกายธาตุขันเวล่ำเวลาทุกสิ่งทุกอย่างอย่ายกมาเป็นอารมณ์ก่อกวนอยู่ในปัจจุบันให้จิตของเราอยู่แต่บวชทำไว้เท่านั้นแม้กระทั่งร่างกายธาตุขันหน้าตาเนื้อตัวทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางมันไปเป็นธรรมชาติของมันว่ามีเกิดแล้วก็มีดับเราไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์ให้เกิดหรือให้ดับ เราจะอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเท่านั้นเอาพากันตั้งใจทำควารรมสงบกันสักคู่นึงนะตั้งใจเอา้าคงพอประมาณแหละเนาะ เป็นไงภาวานาเป็นยังไงล่ะฮะพอเข้าใจวิธีการภาวานาไหมล่ะฮะแต่เข้าใจแล้วเมื่อเรากลับไปอยู่ห่างหมู่ห่างคณะเราเองเราก็ไปทำได้อย่างไม่มีวิจิกิจฉาพองาการทำในเบื้องต้นฝึกหัดในเบื้องต้นต้องอาศัยฝึกหัดนในหมู่ในคณะอย่างนี้ พราะการฝึกหัดในหมู่ในคณะนี้แหละเป็นความสําคัญอย่างยิ่งรรสําคัญอย่างไรเพราะว่าไอเรื่องการการโพนาการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการฝืนกิเลสซึ่งกิเลสเป็นฝังลากลึกอยู่ภายในจิตในใจของเรากี่พบกี่ชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะมาทําลายมันมันก็ต้องต่อต้านเราต่อสู้กับเราถ้าหากเราอยู่นอกหมู่นอกคณะ เราเปรียบเทียบเหมือนเ ร, เราก่อไฟใช้ฟืนดุนเดียวนะมันไม่ติดมันติดยากเราจะมาปฏิบัติธรรมด้วยตัวของเราเองเรามีควารรมตั้งใจใส่ใจว่าวันนี้ฉันจะนั่งโพนาจะจะเดินจงกรมเอาจริงเอาจังเลยถ้ามันไม่สงบฉันจะไม่หยุดละตั้งใจไว้แข็งปังพอถึงเวลาเดินทางเดินเข้าทางจงกรมสักนิดนึงพอเข้าที่นั่งหน่อยหนึง่งจิตเป็นหงุดหงิดนั่งพุทโธ พ, พุทโธสองคําหงุดหงิดละ โอ๊ยไม่เอาดีกว่าอืว่านั่งไปเมื่อยหน่อยปวดแข้งปวดขาหน่อยโอ๊ยไม่เอาดีกว่า er เดี๋ยวพอนั่งไปเอานึกถึงไงอางางานอันนี้มีเอ้ยงานอันนี้นเราจะไม่ทำได้หรือไคนนั้นมาหาเราดรือคนนี้จะมาหาเราไปแบบไม่รู้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะมันไม่มีอะไรจูงใจมันก็เลยต้องอาศัยหมู่อาศัยพวกมาภาวนารวมหมู่รวมพวกกันอย่างวันนี้ที่เรามาภาวนา พอเรามาภาวนาต่างคนต่างบุ่งหน้าในการที่อจะามาอบรมมาทําความสงบไอ้เราก็มานั่งตามหมู่เขาแม้จะจับเอาพุทูลพิทูลสองคำสามคํามันหายแล้วหุดหิดฟุ้งซ่านยังไงอยากจะเลิกแต่คนอื่นยังนั่ ง, งตัวแข็งเราจะเลิกแล้วก็เริ่มคิดตะคุตตะขวงใจหมู่เพื่อนเขาคนอื่นยังนั่งได้วันที่สุดก็เลยฝืนไปหรือขี้เกียจขี้ค้านยังไงก็อ่อนปวกเปียกยังไงก็ตาม มันก็ยังฝืนไปฝืนไปตามหมู่ตามเพื่อนเพราะมันมีความตะขิดตะขวงใจออ้บูไอ้บู Next, ่บ้างเฮ้ยที่สุดพอฝืนไปฝืนไปมันก็ค่อยๆเข้าร่องข้อรอยของอัดของถามเมื่อฝืนไปได้เรื่อยๆต่อไปเราได้หลักได้เกณฑ์ตัวเองพอเราได้หลักได้เกณฑ์ตัวเองแล้วเราออกไปนอกบูนอกคณะเราก็ภาวนาได้เพราะมันได้หลักได้เกณฑ์แล้วเหมือนกับการก่อกองไฟถ้าใช้ฟืนหลายๆดุ่นมารวมกันไฟมันลุกดีพอมันลุกมันติดแล้วเราจะถอนออกไปสักดุ้นหนึ่งออกไปนอกกองมันก็ติดอยู่ พเพราะมันติดแล้วพวกเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้ให้พวกเราทุกท่านทุกคนนาไปใส่ใจนับตั้งแต่วันนี้มาได้ยินพวกเราสวดมนต์ทำวัดก็น่าก็ก็ประทับใจแล้วชมเชยแล้วเพราะการสวดได้พร้อมเพียงฉะฉานอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกเราได้พากันสวดกันอยู่เป็นประจำจึงได้สวดกันได้อย่างฉะชาน ช, ชัดเจนอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้สวดกันเป็นประจำมันไม่ได้สวดอย่างนี้หรอก นี่ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องจากนั้นกายมาฟังเทศฟังธรรมการมานั่งภาวนาต่างว่าต่า ง, ต, างต่างคนต่างรักษาความสงบต่างค้นขวายดูแลตัวของตัวเองอันนี้ก็เป็นความถูกต้องสําหรับผู้ที่เสวงหาธรรมเป็นการเรีย ก, ก้าวเขาไปหาส ม, สมณะอย่างแท้จริงสมนานั้นเจดทัศนังการจะได้ทัศนาได้พบสมณะอย่างแท้จริงคือพบสมณะภายในคือจิต ของเราเองจะเข้าเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงนี่แหละจึงเป็นวิถีทางของผู้ที่จะแสวงหาธรรมะถ้าพวกเรามีความตั้งใจรักษาอย่างนี้ให้สม่ำเสมอและตลอดไปแล้วเชื่อเถอะว่าพวกเราทุกคนในที่นี้จะเป็นผู้เจริญในอัจริยะธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเนื่องนิดแล้วเมื่อเป็นผู้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อเถอะว่าบุคคลในผู้นั้นจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขความเจริญแม้ในความทุกข์ของโลก ความอนิจจังทุกขังนัตตาของโลกจะมีอยู่ธรรมดากว่าสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่สามารถมาครอบ ง, งำเราให้จมไปกับโลกได้เป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเด้อมีอะไรสงสัยไหมล่ะนะมีอะไรสงสัยอย่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนก็ได้นะเอ้าได้ การเลนะธรรมซากัจชาเอตัมมังกัลปะตังการได้พูดคุยสนทนาสอบถามธรรมะตามการตามโอกาสอันควรนั้นเป็นมงคลในสูงสุดก็อยู่ในมงคลสูตรสาแปดประการอันหนึ่งเช่นกันอา่าวมีอะไรสงสัยครับกับผมขอโอกาสหลวงพ่อนะครับขอถามปัญหาธรรมะดังนี้นะครับข้อแรกนะครับขณะที่เรานั่งสมาธินะครับแต่จิตใจเราไม่สงบ แต่เราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้กับสมภเวสีหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรนะครับไม่ทราบว่าเขาจะได้รับบุญกุศลนั้นหรืหรอไม่ครับได้ตั้งแต่เราเริ่มคิดแล้วพอเราคิดจะนั่งคิดมันก็เป็นบุญแล้วเหมือนกับเหมือนกับเราเราทำงานของเราเนี่ยงานของเราสำเร็จมันสําเร็จมาตั้งมันเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มคิดจะทํางานแล้วอันนี้บุญก็เหมือนกันบุญมันเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว เริ่มคิดว่าฉันจะนั่งภาวนาเช่นจะทำบุญบุญมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแม้บุญนั้นจะยังไม่สมบูรณ์ก็ตามก็เป็นเริ่มรูปร่างของบุญขึ้นมาแล้วพอเรามานั่งภาวนาบุญก็เกิดขึ้นแล้วถึงจิตเรายังไม่สงบก็เรียกว่าบุญนั้นมันก็เกิดแต่บุญยังมันยังไม่เต็มร้อยแต่เมื่อเราได้มา2ี่0บสาสิบเรากุธิศให้เขาก็าได้รับยาสิบดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหล่ะ ถือไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ร้อยหนึ่งก็าตามแต่ยังได้ 20, 30, ยี่สิบสามสิบอยู่มันก็ยังเป็นบุญเพราะนั่นการอุทิศบุญพระมักแผ่แผ่เมตตาอุทิศบุญไปไปเรื่อยๆเถิดเราเพียง ว, วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยพวกเราคิดดีไม่รู้กี่ครั้งนะเราพูดดีไม่รู้กี่ครั้งเราทําดีไม่รู้กี่ครั้งไอการคิดดีทดําดีพูดดีล้วนแต่เป็นบุญเราก็หมั่นอุทิศบุญกุศลไปต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเจ้ากรรมในเวีนทั้งหลาย ผู้ที่มันอุทิศอยู่เป็นเนืองนิดย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เห็นไหมลูที่ไหนไปที่ไหนก็เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์อยู่ตลอดไม่มีใครเขาเกียดหรอหน้าตากระเบิดบานเจีมใสผ่องใสมีสงา่าราศีนอนหลับก็มัจกับฝันดีหลับได้อย่างสนิทเมื่อถึงมาเวลามาภาวนาอบรมจิตอบรใจจิตนั้นก็สงบได้โดยง่ายนี่เป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นมาจากการมันอุทิศมันเผ่ไมตานั่นเองเข้าใจไหม เพราได้บุญครับข้อ2นะครับการหนีกรรมหรือการตัดกรรมทําได้หรือไม่ครับการหนีกรรมการตัดกรรมได้ด้วยกันไม่ทํากรรมแต่ถ้าทําแล้วจะไปหนีวิธีไหนจะไปตัดวิธีไหนไอทีพระเข้าประกาศข้าชักชวนไปนหนีกรรมตัดกรรม เขาดีเขาประกาศไปล่วงใ ห, ให้ให้พวกเราไปให้เขาล่วงกระเป๋าเธอนั้นแหละพระบริจ้าสอนไม่ให้สร้างกรรมไม่ใช่สอนให้ตัดกรรมถ้าตัดกรรมได้นะาศาสนาพุทธล่มเลยพังทลายเลยนรกเอเวจีปิดหมดเลยเหลือแต่สวรรค์เอา้าพวกเราจะทําบาปทากรรมมาสร้างกรรมเมื่อไหไหนสร้างไปเถอะสร้างไปสร้างไป แบบไม่ต้องกลัวอนุอนอนอรักษกอเวจีเลยความชั่วช้าลา ม, มกบาปกรรมเงินไหนทำก็ไปทำก็เป็นเเก็บเงิ น, งนตะก่อนนึงไม่ต้องมากหรอกเก็บเงินไม่ต้องเป็นล้านเป็นหลายล้านหรอกไอหมื่นสองหืนก็ไปจ้างหลวงตามตามตัดกรรมได้แล้วพันสองพันก็จ้างหลวงตามาตัดกรรมได้แล้วบทเลยนรกแตกเลยไม่เหลือเลยสักสักขุมหนึง่งนะแต่นี่มันไม่ได้มันได้แต่หลอกกันน่ะหลอกกันเท่านั้นแหละ เพรานัญนอย่าไปฟังไอ้ไอ้พวกไอ้ไอ้ตัดกรรมไอ้ล้างกรรมล้างอะไรตัวไรอ่ะมันได้อีกอันหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่การตัดกรรมหรือล้างกรรมมันเหมือนกับตาช่างทองพวกเราเคยเห็นตาช่างทองไหยตาช่างทองมันมีทั้งทาะข้างทองข้างตะกัวข้างไหนหนักข้างไหนมันก็ลงข้างไหนเบามันก็ไม่ลงข้างทองมันหนักมันก็ลงแต่ข้างตะกัวไม่ใช่ว่าไม่มีนะมี แต่มันไม่สามารถลงได้เพราะมันเบาวกว่าแต่ถ้าหากเราข้างทองมันหนักกว่าเร า, อออเราเอาทองออกเราเอาทองออกทองเอาทองออกทองออกทองก็เบาขึ้นเบาขึ้นแต่เรากลับไปใส่ข้างตะกั่วอีกหน่อยข้าข้างตะกั่วมันหนักกว่ามันก็ลงเลยใมแต่ถ้าเอาข้างตะกั่วมันมีอยู่แต่ข้างทองมากกว่าเราก็ใส่แต่ข้างทองแหละเราไม่ใส่ข้างตะกั่วเลยเลยไป เราใส่ข้างทองเรื่อย ๆ, ๆไอ้ข้างทองมันก็หนักมันก็ลงอยู่เรื่อยข้างแต่กลัวมีอยู่แต่มันก็ไม่สามารถลงได้กรรมก็เชินกันทำดีก็เป็นดีทำทำชั่วก็เป็นชั่วทำบุญก็เป็นบุญทำบาปก็เป็นบาปเป็นคนละส่วนกันเหมือนข้างทองข้างแต่กลัวแต่เมื่อเราเราเห็นโทษของข้างบาปทุกชีวิตทุกตัวสัตว์มันมีทั้งบุญทั้งบาปเมื่อเราเห็นโทษของบาปแล้วเอ้าอาดีต อดีตเป็นเรื่องมาเราเราไม่รู้อะเราทําบาปก็ทํามาด้วยความไม่รู้ทํามาด้วยความโง่แต่บัตรนี้เรารู้แล้วเราจะไม่ทําบาปแล้วเปรียบเหมือนตะกั่วมันมีอยู่แต่เราจะไม่ใส่มันลงไปอีกแต่เราจะใส่ข้างทองเราจะใส่ข้างบุญสร้างบุญข้างบุญทําบุญทําดีทําบุญทําดีไปเรื่อยๆรยมันหนักกว่าข้างตะกั่วมันหนักกว่าบาปมันก็ให้ผลให้ผลเราก็สวยสวยส่วนส่วนบุญไปเรื่อยสวยส่วนดีไปเรื่อยแล้วเราก็ทําไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยเรื่อยไปนั่นแหละ เราไม่ใส่ข้างตะกัวระบาดนี่เราจะใส่ข้างแต่บุญไปเรื่อยข้างบุญไปเรื่อยมันก็ให้ผลเราไปเรื่อยๆรจนกระทั่งเมื่อเราใส่ข้างบุญเต็มคือสามารถปฏิบัติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ดังเช่นผู้รเจ้าดังเช่นสาวกอะไรละฮะมันผ่านพ้นไปมันเป็นอโหสิกรรมเหมือนกับกรรมตามไม่ทันแม้กรรมมีอยู่แต่มันไม่ให้ผลก็เพราะมันพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันจะไม่ให้ผลได้ยังไงอะ ไอ้ที่มันให้ผลเไงตราบใดเรายัางเวียนไวหวไตเกิดหยุ่มก็ให้ผลก็เมื่อพ้นจากการเงินไหวไตเกิดแล้วมันจะให้ผลไม่ได้อย่งไรมันก็เหมือนเป็นเอาหูเอาหูสิกำ ม, มันไม่ใช่ล้างกรรมนะมันมีอยู่แต่มันไม่ให้ผลเพราะมันตามไม่ทันนี่นี่เข้าใจไหมละ่ะเออแต่ถ้าทําแล้วอะอย่าไปคิดไปล้างนะอย่าไปให้หลวงตาหลวงพ่อหลวงตามามามามาลวงกระเป๋าห้าลวงกระเป๋าสิบอะไรนะั่นนะมันขายขี้หน้าเขาเข้าใจนะเออ เดี๋ยวนี้เห็นที่ไหนพอล้างกรรมโอ้โหวัดจะแตกเ อ, อทั้งๆไอ อ, อ, อตัวหลวงพ่อหลวงตามกรรมมันในคอบหัวมันอยู่มันจะไปล้างให้คนอื่นได้ไงใช่ไหมล่ะเอกรรมในคอบหัวมันอยู่มันจะไปล้างกรรมให้ใครใครอือ่ล้างให้เจ้าของสะก่อนเข้าใจนะเครับผมข้อสุดท้ายนะครับอถ้าเราตั้งใจทําอาหารมาทําบุญนะครับแต่ไม่ได้ถวายพระนะครับจะได้รับบุญหรือไม่ครับ ได้ถ้าเราตั้งใจตั้งใจมันก็ได้จากการตั้งใจแล้วแต่มันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมล่ะเออมาตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอเราตั้งใจแล้วมันก็ไม่แน่ใช่ไหมล่ะเออมันอาจจะมีอะไรเป็นอุปสรรคเป็นเหตุมาเพราะอาจเจว่ากิจจะมาตับปังก็บอกแล้วอะความตายไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุใช่ไหมล่ะเออสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น ม, มันอันนี้จังนะแน่โลกมันอันนี้นจัง เ, ออเราทําอาหารตั้งใจว่าเอยฉันจะไปทําอาหารไปถวายหลวงพ่อสูธรรมพรุ่งนี้แหละ พอทำมาเสร็จยกมาเพงหลุดมือตอกไปหลวงพ่อสุธรรมเลยอดซ้ำมันก็ได้บุญมันได้บุญแต่เลยตั้งใจอยู่แล้วแต่บุญยังไม่สมบูรณ์นี่ยังไม่บะมาไม่ถึงปากต้นนั้นเองใช่ไหมละ่ะ เ, เพราะฉะนั้นคิดดีมันเป็นบุญแล้วออขอให้คิดดีไว้เถอะคิดดีแล้วมันจะเป็นก้าวก้าวไปสู่การทําดีก้าวไปสู่การทํ า, าทดีเมื่อการทําดีเริ่มทําดีทําดีทดําดีมันก็จะก้าวไปสู่ความสําเร็จ มันไม่ใช่เริ่มต้นแล้วจะสำเร็จทุกคนไม่หรอกแต่เมื่อมันมีก้าวก้าวแรกมันก็มีจุดหมายไปทางหวังได้ใช่ไหมละ่ะเมื่อเริ่มเริ่มคิดถึงเรื่องบุญมันก็มันก็เป็นก้าวแรกแล้วมันก็หวังไปถึงจุดหมายไปทางได้ด้วยกันทั้งนั้นเลยขอให้มีเริ่มต้นเถอะเริ่มต้นด้วยการคิดบุญแล้วเมื่อเราคิดดีแล้วแม้ผลจะไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ต้องไปเสียอัเสียใจว่าเออ ย, ยังไงฉันก็ได้คิดดีแล้วใช่ไหมละ่ะ แต่มันอาจจะมีอันนี้จังมาตัดทอนไปซะก่อนมันไม่เที่ยงใช่ไหมแต่ถ้าถ้าหากว่าตั้งใจทําบุญแล้วนะตั้งใจโอ้ยทาอาหารใส่บาตรทาอาหารใส่บาตรนี่แหละว่าจะเนี่ยไปทําบุญพอพอทําทําทําเสร็จเรียบร้อยและไปคิดแง่ไม่ดีอุย้ยอย่าไปให้มันแดกถูกอหมคิดไปในทางชั่วอีวกเลยกลับกลายเป็นบาปเลยนะใช่ไหมล่ะออูทํามาด้วยเหน็ดนี่ด้วยเหนื่อยมึงจะมาอยู่เฉยๆมากินอยู่สบายโอ้ยไม่ให้มึงกินหรอ ไหมล่ะออคิดบาปแล้วอีกเหมืนนั้นไม่ถูกต้องคิดดีแล้วก็รักษาดีเป็นตลอดเข้าใจนะออแต่อย่างว่าภาระภาระของคารวะเราก็ต้องยอมรับชีวิตของครือหัชคารวะผู้ครองเรียนเนี่ยมีภาระพันลุงพันลังม้าไม้ไก่กองจะทํำอาหารมาถวายพระจะให้พระนี่เราก็ยอมรับว่ามีศรัทธามาไม้ไก่กองแต่โอ้โหอุปสรรคก็ยังมาไม้ไก่กองมันไม่เหมือนชีวิตในวัด เพราะนั้นเราเราจริ ง, จ ร, งจริงแล้วอ่ะไม่จําเป็นหรือพอหลีกเลี่ยงได้มันไม่อยากไปฉันข้าวบ้านคนหรอกฉันในวัดมันสบายใจกว่าไปฉันบ้านคนเนี่ยมีเลยมีหลวงตาหนึ่งชอบแต่ไปฉันบ้านเขาอนะ่ะพอรู้จักโยมหน่อยไม่ได้ละภายบาทไปเหละเขาจะนิมนต์ไม่นิมนต์เขาต้องการไม่ต้องการไม่รู้อ่ะขอให้รู้จักเขาอ่ะรู้จักเขาก็ภายบาทไปอ่ะไป ฉันบ้านโยมคนนันชันบ้านโยมคนนี้ฉันวันนี้ไปฉันบ้านโยมนั้นบนวันนี้ไปฉันบ้านโยมคนนี้นนนนนนนนเนีตอนนี้ลักษณะของโยมของโยมโดยเฉพาะโดยเฉพาะชาวพุทธเน่ยพอเห็นพระมาเท่านั้นแหละได้เวลาขบฉันโอ๊ยกวีกว่าทันทีเลยแหละคนไหนก็คนนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธเห็นไหมล่ะไม่นอนใจแล้วยังพระที่รูจ้จักภูบาจารย์ที่เคารพด้วยโอ๊ยกวีกว่าแต่เลยโอ้ยรีบเร่งแล้ย โอยอาหารแนวแนว่วใดมันแสบมันนวแนว่วใดมันดีกว่าหมูแลเอาทันทีแหละตาหูเหลือกเดี๋ยวขวนญขวาะแต่ว่าโยมมันยังไ ม, ม่ไม่ใช่ ม, มีแต่มีแต่พระเข้าไปไหนลูกหลานตัวเองอีกอะ่ะไหนงานการภาระหน้าที่ของตัวเองอีกอะ่ะไหนเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกอะ่ะแต่จับอันนูน้นจับอันนี้เดี๋ยวกับอันนูน้นอันนี้โอ้มันเพิ่มภาระพิ่มลุงพลังมันมีเรื่องเล่าอันนี้นี่อาจารย์อูหนึ่งมันก็จะนั่นแล้ว ชอบไออแบบไปฉันข้าวบ้านโยมก็เนี่เช้าหนึ่งอะโอ๊ยนึกถึงโยมอย่าไปฉันข้าวบ้านโยมบ้านโยมนี่ข้าวอาหารแซ่บีิถึงก็พวดพัดกับพายบาทสุดไปเลยไปถึงโอ้ยโยมเห็นผ้าเลยไม่ได้เตรียมตัวนี่เห็นพระหมาก็โอ๊ยรีบปูสาปปูเสือร้องนี่มลเจ้าข้าวนม่มลเจ้าข่าวาพอดีกันทาอาหารรีบเร่งจัดอาหารหมดจะสายไอ้ลูกก็จะไปโรงเรียนจะรีบกินข้าวไปโรงเรียนกลัวจะไปโรงเรียนไม่ทันใช่ไหม เรียกร้องแม่ระเมื่อกี้มื่ก็แม่กูจะทํามาให้พระไหนไอ้ลูกค้าจะมาซื้อของจะมาอะไรต่ออะไรอีกเออทำไมใช่จะไม่มีแม่ค้าหรือไม่มีอะไรต่ออะไรโอ้จับสนปนเปอะไรต่ออะไรจับไอ้นูนจับจับอันนี้ไอ้นู้นวุ่นวายกันมาลูกก็เรียกร้องเรียกร้องวุ่นวายจะกินข้าวกลัวจะไปโรงแรมไม่ทันไอ้ลูกค้าก็เรียกร้องอยู่ที่หน้าบ้านพระก็นั่งเถลยอยู่บนบนเตียง วคนที่จับไปจับมาไอ้ลูกอะมันกลัวไปทำไมโวยวายกันมาไม่ไม่ไอ้แม่จับนู่นจับนี่จับถูกไม่ถูกไปรู้หรอชักจับชักจะเครืองไปชักจะเครืองลูกไงจะให้ทําไอ้ไอ้พระก่อนก็ไปได้ไหมก็เรียกร้องมันกลัวจะไปไหมไทยมเดียวคนที่สวดขัดเครืองมาได้คอกให้ลูกไนแต่คอกให้ลูกไงลูกคอยให้พระแดกซะก่อนที่ว่ามึงค่อยฉั้อ ไอ้จริงๆไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นนะตั้งใจให้พระฉันซะก่อนมึงค่อยแดกเออแต่มันสับสนเมื่ก่อนให้พระแดกซะก่อนมึงค่อยฉันนี่พูดไปแล้วตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรแต่พระเนี่ยโอ้ยใจอยู่พิตาตุ่มนั่นแหละนี่เป็นแบบนั้นนี่ใช่ไหมล่ะแต่ยมไม่รู้ไม่รู้รตัวนะฮะเออไอ้ตั้งใจว่ามันมันยุ่งเหยิ ง, งวุ่นวายเบอร์เลยเห็นไหมตั้งใจจริงๆแล้วเขาเจตนาดีก็ตั้งใจดีก็ตั้งใจแบบให้พระฉันซะก่อนมึงค่อยแดกอ แต่มันพูดไปพูดมาเลยพูดไปไอ้พระแดงสะ ก, ก่อนมันค่อยฉันนี่นแหละไปงานการภาลหน้าที่เราต้องยอมรับว่าญาติโยมมันภาลหน้าที่มากเพราะนั้นยังไงก็ตามให้เราเจตนาดีไว้ก่อนนัไม่เป็นบุญเท่านั้นแหล ะ, ะเข้าใจนะเออฮะมีอะไรอีกมีอะไรมีะอะไรยังสงสัยมมียติธรรมท่านใดสงสัยข้อธรรมอีกไหมครับผม มาพูดคุยกันได้นะเอมีอะไรสงสัย ข, ข อ, อไปขอโอกาสครับผม อ, อพอดีก็มีเรื่องไม่สบายใจอยู่ที่บ้านพอดีที่บ้านมีมีแมวมีแมวของคนที่เขาไม่เลี้ยงนะครับมาม า, มาเหมือนกับมาขออาศัยอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันทีนี้มีตัวเมียมากประมาณสามตัวกระผมก็เลี้ยงเอาไว้ทีเนี้ยตัวแรกจับมาทํำหมันแล้วทีนี้ในใจลึกๆก็คิดอยู่ ว่าจะไปเบียดเบียนมากหรือเปล่าเพราะจริงๆก็เอามาหาสัตวแพทย์เลยปกติตามกระบวนการนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าเอาเขามาทําแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มาทำ ก, ก็จะลูกมากเพราะว่าตอนนี้ออกลูกมาสองมาสองคลอกแล้วสามตัวเแบียดเสร็จน่าจะเจ็ดแล้วทีนี้ก็เหลือจะเอาม า, มาทำหมันอีกสองตัวนี่ก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมไหมนี่กไ็ไม่ค่อยสบายใจครับผมกลายว่าว่าจะดูแลเขาเป็นบุญหรือจะเป็นบาปกัปนแน่ ใช่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไปทําไปทําเป็นอาชีพทําเป็นอะไรพวกนี้ยมันก็ไม่ควรมันก็เป็นบาปชนหนึ่งแต่ถ้าออกมาทําแบบนี้ถามว่าควรไหมก็ถ้าเราไม่ทำํำมันยังสร้างทุกข์อีกมากมายไกลกองสร้างกรรมอีกมากมายไกลกองก็เหมือนบบเราถามตํารวจดูตํารวจทหารเนี่ยใช่ไหมไปฆ่าผู้ลายไปฆ่าโจรบาปไม่ก็บาป แต่ว่ามักล้าบาปเกิดคนเดียวแต่ว่ามันสร้างความสุขให้แก่คนอีกามากมายไก่กองใช่ไหมละ่ะบางทีมันก็ต้องยอมทำในเลก็กนิดน้อยเพื่อที่ผลที่จะเกิดขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เใช่ไหมมันก็กระจายเป็นทุกอะไรต่ออะไรเดือดร้อนผู้คนเราก็เดือดร้อนอะไรต่ออะไรใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเราทําเป็นอาชีพทําเป็นอะไรนั้นไม่ควรแต่ถ้าทําเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มันเห็ น, เ ห, นเห็นโพดเห็นผล อากความเดือดร้อนอะไรรกระจายมากไม้ไก่กองอันนี้มันก็มันก็ทำมันก็อะมันก็ถูกต้องแต่ถามว่าบาปมันก็บาปบาปแต่ว่ามันมันดีกว่าที่เราสร้างบาปไปอีกมากมายไก่กองใช่ไหมล่ะก็เหมือนเจ้าหน้ pareil, าทนะี่ตารวจเจ้าหน้าที่ฐานบาปไม่บาปแต่ว่ามันก็ต้องเพื่อความสุขอีกมากมายไก่กองความร่มเย็นอีกมากมายไก่กองใช่ไหมล่ะเออเหมือนกับว่าแต่นามันตักตีนเราแบเนี้ น้ำมันปักตีนเราอ่ะถามว่าบวงน้ําเจ็บไหมเจ็บแต่ก็เพื่อป้องกันควารรรมเจ็บที่มันจะเน่าแฟะไปอีกมากมายไก่กองอ่ะมันก็ต้องทนยอมเจ็บใช่ไหมล่ะเออนิดนิดหน่นอยหน่อยแบบนั้นแหละอันนี้เป็นความเห็นของอิตมานะถามว่าบาปไม่บาปไอ้พวกนี้อบาปตัวนั้นแหละแต่ว่ามันก็เพียงแต่ไอ้ไอ้ไอไอเศษของมันน่ะนะแต่การป้องกันอีกมากมายไก่กรอที่มันจะเป็นผลเกิดขึ้นมาอีกอใช่ไหม ก็ ه, พิจารณาดูว่าควรไม่ควรขนาดไหนใช่มเออะมีใครสงสัยอะไรบ้างเาถึงโอกาสถึงเวลามาแลกเปลี่ยนความเห็นก็ได้นะการเรณธรรมซากัะชาเอตมังคมตมังการได้สนทนาตามการตามโอกาสอันควรอันเหมาะนั้นเป็นมงคลในสูงสุดใน ไ, ไหมในมงคลรสูตรสารปประการท่านก็กล่าวไว้อย่างนั้นอยู่แล้ว อ, อืการเดินจงกรมขณะที่เราหมุนกลับตัวนะจ๊ะมันเหมือนมีน้ํานองอยู่เท้าตลอดเวลาเป็นการท่ามานันว่ามันจะแก้ว่าเราจะไปใส่ใจมันก็เป็นได้ทุกอย่างเนะยุกยิกยุกยิกอะไรอเรานั่งเวลาเรานั่งคุยนั่งอย่างอื่นไม่เห็นมีอะไรแต่พอเรามานั่งพอเร า, า, าเดินจงกรมเมี่ยนั่งเนี่ยดีอะไรอะไรอย่าไปใส่ใจมัน อย่าไปสนใจถ้าสนใจมันนะไปใส่ใจนันไม่ได้อย่างนัไอ้นี่มันเป็นมันก็ไปเรื่อยเรื่อยเไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉนั้นอย่าไปใส่ใจใส่ใจไอุ้รงทำของเราอะใช่ว่าพุทโธจ้องอยู่ที่พุทโธทนั้นอยู่ที่ลมจ้องอยู่ที่ลมเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นก็หมดไปแต่ที่มันมีก็เพราะจิตของเรามันหลุดออกไปจากลมหรือจากพุทโธไปเกี่ยวข้องอะนั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเดินโยกรมให้เดินตามปกตินิสัยของเราเราเป็นคนเดินเร็วหรือเป็นคนเดินช้า เราเป็นคนนิสัยเดินอย่างไรฮะเดินอย่างนั้นอย่าไปฝืนนิสัยของเราถ้าฝืนนิสัยเรามันจะไปกังวลที่เดินใช่นว่าเราเคยเป็นเดินเป็นคนเดินเร็วไปคอยเดียรางค่อยก้าวมันก็เฮ้ยไปจ้องไประแวงมันมันจะผิดตรงนั้นมันจะพลาดตรงนั้นอะไรหน่อยโหที่สุดเลยไม่ได้อยู่กับทำถ้าเราเป็นคนเดินช้าเราจะไปจ้องไงเดินเร็วมันก็เอ้าเดี๋ยวมันจะไปไม่ถูกจังหวะไม่ถูกอะไรมันก็กังวลอยู่อย่างนั้นเราเดินจงกรมไม่ใช่ไม่ใช่วิเศษการเดิน แต่เราจะเอาที่ใจแต่เราเอาอิิยาบทเป็นการผ่อนคลายร่างกายเพราะเรานั่งอย่างเดียวเราทนไม่ได้ถ้าเราจะเอาแค่นั่งมันก็เวลาไม่พอเพราะนั้นเมื่อเร า, านั่งทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนไปไปเดินเดินอย่างเดียวมันก็ ม, มันก็ไม่พอเราก็ทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนจากเดินมาเป็นนั่งมันก็เปลี่ยนอยิยาบทแต่จุดสำคัญก็คือเราจะเอาใจเอาที่ใจเราไม่ได้เอาที่นั่งเราไม่ได้เอาที่เดิน ไอเดินหรือการนั่งเนี่ยเป็นเพียงแต่ร่างกายเป็นเพียงกิริยาให้ผ่อนคลายร่างกายของเราเพราะถ้าเรานั่งอย่างเดียวเนี่ยใครทนได้ไหมล่ะทนไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งเราไม่ไดเอาวิเศษจากการนั่งเราวิเศษทิจัยของเราเพราะฉนั้นขณะที่เรานั่งเราไม่กังวลเลยนั่งมันจะนั่งพับเพียบนั่งคัตสมาที่นั่งอะไรจิตเราไม่ได้ไปอยู่ที่กิริยานั่งไม่ได้ไปอยู่กิจอาการเลย เมื่อเรานั่งคนบอกว่าให้นั่งส บ, สบายๆเรานั่ง ย, ยังไงสบายแล้วให้นั่งแบบนั้นอย่าไปเกรงหน้าเกรงหลังเกรงแข้งขเกรงขาเกรงอะไรพอเราเกรงไปแบบนี้มันก็จะไปกังวลแต่ถ้าเรานั่งได้ผ่อนคลายสบายๆมันจะเอียงไปยังไงมันไม่ต้องไปสนใจมั้จับเอาติดพุโธพุทโธไปเมื่อเราจับเอาพุทโธกิริยา น, นั่งก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของเราจิตของเราก็อยู่กับพุทโธพุโธได้ตลอดเดินเหมือนกันอย่าไปคุณยุ่งเกี่ยวกับการเดินเหมือนกับที่เราเดินอยู่เป็นประจําวัน เราจะเดินไปที่นู้นเดินไปที่นี่ใจเราไม่ได้อยู่ที่กี่ทยาเดินการเดินในขณะนั้นไม่มีอยู่ในความรู้สึกของเราเลยแต่ถ้าเราไปเดินไปกงังวลอยู่กับที่เท้ามันจะมีมีมีอยู่ความรู้สึกของเราอยู่ตลอด <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากไปกังวลมันจับเอาพุโทโธพุโทโธพุทโธเท่านั้นเองสิ่งอะไรที่มาเกาะกวนมันจะหมดไปหมดไปหมดไปเข้าใจนะเออต้องเป็นแบบนั้นให้เดินตามบทินิสัยของเรานั่งตามปทินิสัยของเรา แบบไหนสบายแล้วเอานัา่งแบบนั้นก็ปเป็นแบบนั้นฮะมีอะไรอีกออ คือถ้าสงบถึงที่สุดรวมถึงที่สุดแล้วมันถอนออกมาเนะี่ยพิจารณานั่นมันจะเห็นผลเห็นผลประจักษ์ชัดเจนเลยแต่แม้นไม่มียังไม่สงบหรือร่มเย็นในระดับหนึ่งถ้าจิตมันดูดดื่มจิตประทับใจคือจิตสัมผัสกับไอไลททางด้านปัญญามันก็ควรต่อการพิจารณาถึงแม้การพิจารณาอันนั้นมันจะไม่ เกิดผลของทำขึ้นมาก็ตามก็ควรเนี่ยพิจารณาเหมือนกับไอ้ผู้ที่มันมันเอเด็กเรียนมันเรียนเรียนอยู่โรงเรียนมันทําบัญชีอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันทําบัญชีอยู่ในโรงเรียนมันทําก็ไปเรื่อยทำไม่ได้ตังค์หรอกแต่ถ้ามันบ่อยมันทําไม่ได้ตังค์แม้แต่ได้สนใจในการทําพอมันมาเข้ามาอยู่ในบริษัทมันเจอบัญชีมันทําบัญชีไม่คล่องแคล่วหรอก แต่ถ้ามันอยู่โรงเรียนหรือไม่ไม่ได้ตังบัญชีมันก็ทำก็ไปเด้อทำก็ไปเด้อมันก็เกิดเป็นความคล่องแคล่วพอมันเข้ามาอยู่ในบริษัทนี่แม้นตัวเลขบัญชีอะไรจะไม่เหมือนกับที่ที่มันทําอยู่ในโรงเรียนก็ตามแต่ก็เป็นเหตุให้มันคล่องแคล่วในการทําอยู่ในบริษัทเกิดเงินเกิดทองขึ้นมาในขณะที่มันมาทําในบริษัทเนื้อจิตที่มันมีเป็นสมาธิในขณะที่มันทําอยู่ในโรงเรียนเหมือนกับที่เราพิจารณาแบบจิตยังไม่รวมรวม แต่ก็ควรมันจะทำให้ถึงเวลานั้นเราคล่องแคลวในการพิจารณาแต่ว่าการพิจารณาอย่างนี้พิจารณาจิตที่ไม่มีสมาธิต้องระมัดระวงังมันอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านได้ง่ายถ้าจิตเรารู้สึกว่ามันปีกแวะพอเราพิจารณาอันนี้จังมันเนี้ยจ้องดูอันนีจังความแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปในปปเสื่ทางเสือ่อมโทรมอะไรต่ออะไรต่างๆเนี้ยถ้าจิตมันชิดชักตัวนมฟุ้งซ่านปีกแว่ออกไปแล้วหาความสงบเลยอย่าปล่อยมันฟุ้งซ่าน ต้องรู้จักประมาณในตัวเองคําว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางทางสายกลาง ค, คือความพอดีต่อใครต่อต่อมันมอยูอ่แล้วพอดีต่อเราปราบกิเลสได้เป็นพอดีเป็นเป็นมัชชิมาแต่ยังปราบไม่ได้ไหมเป็นมัชชิมาหรอกพิจารณาอะไรเอาอสุภะอสุพังพิจารณาลงไปอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาเอาพิจารณาลงไปเด่นถ้าพิจารณาไม่ปีกแวกออกไปจากอสุภะอาานิจจังทุก ข, ขังอนัตตาแล้วไม่ผิดเหมือนกันเนี่ย กำแพงกำกำแพงเวริน่าเนี่ยถ้าเราไม่มุดกำแพงออกไปเดินไปซอกบุ้งไหนไปถือไม่ไม่หลงบริษัทเบริน่าแน่นอนเลยยังไงก็เหยียบเบรเบริน่าอยู่ตลอดนั่นแหละถ้าเราไม่มุดออกนอกกำแพงนะถ้ามุดออกนอกกำแพงเน่ยหลงเลยหลงบริษัทเวริน่าแลยไม่ไม่ไม่ไม่ถูกไปไม่ถูกบริษัทเบร์ลิน่าเลยนะใช่ไหมล่ะเหมือนไอไอไอสุภาพสุพรรณไออันนี้จังทุกครั้งน้าตาเหมือนกับแพงท่องเที่ยวอยู่ในกำแพงนี่แหละ อยู่ในบริษัทเอเวรีนาตลอดแน่นอนอยู่ในอยู่ในเอ็นิจังทุกขังนันตาในอสุภะอยู่ในธรรมตลอดเลยเป็นไปเพื่อธรรมะดังนั้นเลยพิจารณามากพิจารณาน้อยขอให้พิจารณาลงไปถ้าจิตมันดูดเดืมต่อการพริจารณาแล้วแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปพิจารณาอันนั้นจะพิจารณาอันนั้นันั้นนะัะ เนี่ยเขาบอกอนิจจังทุก wow ขังนาตาต้องพิจารณาอนิจจังซะก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาทุกขังค่อยพิจารณาอนาตาแล้วเขาบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องพิจารณารูปซะก่อนพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่อต่ไอ้นันเป็นเรื่องปริยัตไอ้เรื่องเรื่องเรื่องการปฏิบัติแล้วต้องเป็นมวยวัดอย่าไปมีขั้นมีตอนสะดวกถนัดตรงไหนเอาเลยสะดวกถนัดต่อทุกขังเอาเลย สะดวกถนัดตอดไอ้ไอไอเวทนาเอาเลยสะดวกถนัดตอสัญญาเอาเลยมันพิจารณาในหนึ่งมันซึมซับไปถึงทั้งหมดเลยเหมือนลองเนีป่าไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราจะจุดไฟเผาป่ามันสะดวกอยู่ตรงไหนสะดวกอยู่ตรงหน้าวัดไม่จําเป็นต้องไปไปหลังวัดไปจุดไฟเผาป่าหลังวัดหรอกก็เมื่อเราสะดวกอยู่ต่อหน้าวัดจุดไฟเผาไอ้หน้าวัดเนี่ยพอมันติดแล้วมันลามไปถึงหลังวัดเองลามไปถึงข้างวัดเอง ตะวัวแต่จะไปเดินไปจุดหลังวัดเหรอโอ๊ยเมื่อยเสตายอยู่กลางทางแลก่อนเลยนี่จุดใช่ไหมล่ะออพิจารณาเหมือนกันพิจารณาอะไรถนัดอะไรสะดวกชัดเจนอะไรพิจารณาลงไปมันซึมซับถึงกันหมดเลยทำมาอันเดียวกันไม่กระแสเดียวกันเข้าใจนะเออต้องไปไปนะเพราะแต่อะไรถนัดอะไรสะดวกชัดเจนยังเอาเลยดูดื่มต่อการพิจารณาแล้วพิจารณาลงไปเวลาไหนก็ได้ เจ้าสายใบค้าทุกเดียาบทเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นแหละ